วันอาทิตย์ที่12พฤษภาคมพศ2539เป็นการบรรยายคำพีมหาปัฐานโดยท่านอาจารย์สุเทพโพธิสัตธาท่านสาธุชนที่เคารพมหาปฐานหรือปัจจัย24วันนี้มีเอกสารแจ ก, กเพิ่มเติม2ชุดนะครับก็มีเอกสารชุดที่3คือมีอยู่ทั้งหมด5หน้าซึ่งเราจะใช้เป็นตัวหลัก ประกอบเอกสารชุดที่เป็นภาษาบาลีล้วนที่ขึ้นหัวข้อว่าเก็บแปลเก็บความบาลีปฏิญาิเทศแสดงปัจจัยยี่สิบสี่อันนี้ก็เป็นความที่ถอดออกมาจากภาษาบาลีที่เราใช้ไว้สาหรับเป็นบทสวดนะสําหรับอีกชุดหนึ่งที่ขึ้นหัวข้อว่าองค์ธรรมของปัจจัยยี่สิบสี่หรือปัจจัยห้าิบสอง ท่านทั้งหลายอ่านเนื้อความที่เป็นองค์ธรรมแล้วก็คงจะเข้าใจได้ลำบากสำหรับเอกสารชุดสองแผ่นเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะเอามาบรรยายโดยละเอียดก็เรียนให้ทราบว่าแจกไว้เพื่อ ใช้ทันถือติดมือไว้แล้วก็ดูว่าองค์ธรรมการกําหนดกฎเกณฑ์ของปราชัยยนั้นเขามีอย่างไรและเชื่อว่าบางท่า น, นในวันข้างหน้าท่านจําเป็นจะต้องใช้ใช้ประกอบการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องมหาประานในโอกาสข้างหน้าต่อไปหรือว่าท่านผู้ใดที่ได้เรียนมหาประานในทางบทบรรยายเข้าใจเนื้อความโดยทั่วไปแล้วแต่ว่าเรื่องต่างๆ น, นั้นกระจายกระจายข้ า, ขามัวเอกสารชุดที่แสดงองค์ธรรมของประชัยยีนั้นก็จะช่วยให้ท่านสะดวกขึ้น ลาดูองค์ธรรมว่าปัจจัยอะไรอะไรเป็นส่วนเหตุอะไรเป็นส่วนผลนะครับแต่ปัจจัยแต่ละอย่างได้แยกออกเป็นส่วนย่อยเช่นว่าอธปิปฏิปัจจัยแยกเป็นสามมียื่ออะไรแล้วก็แต่ละปัจจัยมีองค์ธรรมว่าอะไรนี่ก็เป็นเรื่องที่เรียนให้ทราบท่านก็เอาเก็บไว้เท่านั้นนะครับตลหรับเอกสารจุด น, นี้เอาเหรครับ เราจะต่ออธิบายปัจจัยที่ค้างเมื่อคราวที่แล้วที่เรากำลังจะเริ่มอยู่พอดีนะคือสหาชาตะปัจจัยหรือราชาตาปจิโยติเราจะใช้เอกสารภาษาบาลีเป็นอุอกปรกรณ์หลักอาจารโทษาภาษาภาษาไทยที่แจกวันนี้นะจะจะดูทั้งสองอย่างเที่ยคู่ไันไป็นไรชาวเมอจะต้องอ้างให้ดูรูปบาลีบางตัวเพื่อเปนประโยชน์ในการฟังบทสวดมนต์ คำพมาประฐานเอกสารชุดแปลเนี่ยนะฮะมาอยู่ในหน้าที่2อนี่ครับปัดใจที่6สหาชาตาปัจจัดใจเขียนเป็นรูปภาษาไทยปแปลกันเป็นสามสำนวน อ, อีกหน่อยท่านไปนอ่านมาหาปัะธานปแปลก็จะมีจำนวนปแปลเป็น3แบบนี้สหาชาตาปัจจัยแปลว่าปัจจัยคือความเปิดพร้อมเพราะคําว่าชาตานั้นปแปลว่าเกิดสหปแปลว่าพร้อมเกิดพร้อมในทางสภาวธรรมนั้นละเอียด ว่าการเกิดพร้อมอย่างที่เราพู่กันในทางกายภาพเช่นสหาชาติของพระพุทธเจ้าเกิดวันเดียวกันก็ไม่รู้ว่าเกิดเวลาเดียวกันวินาทีเดียวกันหรือไม่ไม่ถึงกระจับเข้มข้นขนาดนั้นเช่นพนางยโสธราพิมพาเป็นสหาชาติกับพระพุทธเจ้าหนึ่งในเจ็ดเพราะว่าเกิดพร้อมคือวันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าแต่สหาชาติตากที่ กล่าวถึงในทางธรรมนั้นต้องเพาะเรียกว่าพร้อมกันจริงๆ ร, ร่วมเวลาร่วมกาละกันอย่างเป็นปัจจุบันเดี๋ยวนั้นขณะนั้นจริงๆจึ ง, จร ง, จรงเรียกว่าสหธ า, าตะ หรือสชาติแปลว่าความเกิดพร้อมเมื่อกล่าวอย่างในเชิงปจัจจัยเม้ายว่าความพร้อมเพียงของสภาวธรรมนั้นเป็นอำนาจชนิดหนึ่งเราพูดได้เราก็นึกถึงการที่บุคคลไปประท้วงเรียกร้องเนี่ยถ้าหากว่าไปกันเป็นหมู่เป็นคณะเป็นกลุ่ม เ, มเป็นก้อนใหญ่เท่าไหร่ก็มีอำนาจต่อรองสูงเท่านั้นสามารถที่จะปิดถนนได้สามารถที่จะเรียกร้องอะไรต่างๆได้ผมกําลังได้รับการชักชวนให้ไปประท้วงรัฐบาลอยูอย่ในเวล า, านี้ น, น, น, นะกำลังหาข้อมูลเขาทำเองคือภาษม า, า, มาแล้ว เรีกไปปรึกษาวันนั้นจะทําไงเจ้าคุณประยุทธ์ท่านก็เห็นด้วยพ ร, ระผู้หลักผู้ใหญ่หลายค น, ห, นหลายองค์เห็นด้วยลงช่วยลงหมดแหล ะ, ะ ใ, หให้ไปไปประท้วงบางอย่างนะฮะให้รัฐบาลคือบางทีก็รัฐบาลมีรก็ประจาพูดแต่ว่าแต่าหากว่าชาวพุทธไม่ไปเรียกร้องเนี่ยบางทีเขาก็ไม่อาจที่จะทําอะไรเองเขาก็ดูตามมาดลาเรือนะฮะมาอะไรก็ไม่รู้เขาละที่ถ้าเราไปกระตุ้นเขาก็มีว่า อ, อ้างที่จะออกแรงกระทาบางสิ่งบางอย่างเพื่อรักษาผลประโยชน์ของพระพุทธศาสนาวันหลังจะเอาเอกาสารพวกนี้มาแจาก ให้ให้ไปอ่านเล่นๆแต่วันหลังจะชวนไปเดินกระ บ, บวนี่ทีหลังสงสัยจะปล่อยให้ผมไปคนเดียวก็ได้สภาวธรรมเนี่ยในความที่มันพร้อมเพรียงกันเนี่ยมันมีพลังขอให้ท่านนึกถึงคําว่ามัคคสมังคีนึกถึงว่าเวลาที่เราทําความทำกรรมาฐานเนี่ยจะต้องมีองค์คุณของกรรมาฐานให้ครบสมบูรณ์ความครบสมบูรณ์แล้วก็มีเป็นขั้นขั้นปลายดาว่าครบสมบูรณ์ขั้นอ่อนขั้นเบื้องต้น กำลังระดับหนึ่งก็มีอนุภาพกั้นหนึ่งถระดับสูงขึ้นก็มีอนุภาพสูงขึ้นแล้วก็ยังคุยกันอย่างเมื่อสักครู่เมื่อเชาานี่ว่าแม้แต่การให้ทานเนี่ยคนให้ทานก็มี ความสมบูรณ์ของกุศลจิตพร้อมเพียงกันมากน้อยไม่เท่ากันว่าบางคนนั้นอาจจะให้อย่ายงไม่มีปัญญามีแต่สตา้ามีแต่สมาธิมีแต่อย่างอื่นแล้วก็ไอ้ความล้ำลึกล้าลึกของสิ่งที่เป็นสภาวธรรมพร้อมเพียงนั้นก็ไม่เท่ากันีกเพราะฉะนั้นความพร้อมเพียงของสภาวธรรมในทางบาปก็เกิดก่อให้เกิด ผลหรือพลังในทางความชั่วความตกต่ำแรงในทางดีก็ดีแหละนี่เป็นลักษณะกว้างๆของสหั ส, หสหต์ปัจจัยนั้นก็ว่าถึงแปลเป็นอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองแปลว่าความเกิดเกิดพร้อมเป็นปัจจัยความเกิดพร้อมเป็นปัจจัยพร้อมตรงนี้ก็คือผลเองก็เกิดพร้อมเหตุแล้วก็ไอเหตุเองในส่วนของเหตุเองก็เกิดพร้อมกันทํางานร่วมกันความพร้อมเพียงกันนะ่ยต่างคนก็ต่างเป็นเหตุเป็นผลกันและแปลอีกอย่างหนึ่ง ว่าทมที่มีความเกิดพร้อมเป็นปัจจัยการแปลอย่างที่3ามนั้นเป็นการแปลโดยยกเอาผลขึ้นมาเป็นที่ตัง้งเพราะฉะนั้นผลธรรมใดที่เกิดขึ้นเพราะเหตุที่คือสภาวธรรมที่รวมตัวกันอย่างพร้อมเปลี่ยงในขณะนั้นชื่อว่าเป็นผลธรรมที่มีความเกิดพร้อมเป็นปัจจัยนั่นนี้ก็เทียบอย่างในทางบุคลาธิฐานก็เหมือนกับความธ ร, รมกียครับ เทียบเหมือนความแต่นี้มาดูในเนื้อหาที่ท่านแจงเป็นส่วนแห่งรายละเอียดไว้โดยลำดับอย่างนี้ <c oughs> หนึ่งจุดที่หนึ่งหรือกรณีที่หนึ่งของสหาชาตาปัจจัยนามา ร, รมสี่นามาขันสี่อันนี้เป็นภาษาที่ใช้ในตัวบาลีนะท่านเรียกว่านามาขันจัตตารโออรูปิโนถาทารดูประกอบด้วยเห็นว่า จัดตาโรขันธารูปิโนอารูปิโนก็คือนามขันทั้งหลาย4อย่างก็ได้แก่เราลบทั่วรั้าขันห้ามีอะไรบ้างรูปปะขันที่เป็นร่างกายทั้งหมดเยตนา<ม>ความรู้สึกสุขทุกข์สัญญาความจับสังขารความคิดอย่างนน้นอย่างนี้วิญญาณก็คือการรับ รู้อารมณ์เรียกว่าวิญญาณขันที่เป็นนามขันธ์สีก็เฉพาะเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณหรอที่บอกว่าคือจิตกับเจตสิกเนี่ยเรียกว่าพูดเข้ามหาหลักอภิธรรม ที่ะะแสดงหรือกระจายนามขันออกมาเป็นส่วนแห่งจิตกับเจตสิกก็เอาความเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันนะผมจะไม่มาพูดตรงเครอธิบายอะไรให้เยอๆไปจิตกับเจตสิกเรียกว่านามขันจิตกับเจตสิกและเจตสิกกับเจตสิกที่เกิดอยู่ในขณะจิตเดียวถ้าต่างขณะจิตเช่นว่าจิตขณะก่อนกับจิตขณะหลังเนี่ยถามว่าเป็นปัจจัยกันได้ไหมตอบว่าเป็นปัจจัยกันได้แต่ว่าเป็นปัจจัยกันได้ในลักษณะของปัจจัยอื่นไม่ใช่ ให้เป็นปัจจัยกันได้ในลักษณะของสหาชาตะปัจจัยแม้แต่จิตปั้งสีอสงไขยแสนกลับมาแล้วก็เป็นปัจจัยแก่จิตในชาตินี้ได้แต่เป็นในรูปของปัจจัยอื่นใช่ไหมไม่ใช่สหาชาติเพราไม่ได้เกิดพร้อมร่วมกันกันถามว่าเป็นปัจจัยอะไรถ้าตอบว่าเป็นนา น, นกาคติกรรมวปัจจัยเป็นปัใจจัยในรังเบญกรรมใช่ไหมกรรมเก่ากรรมแก่นี่อันนี้ก็เรียกว่าไม่เป็นเหตุเป็นผลที่พิสูจน์ได้ยาก เพราะเหตุผลนั้นต่างการกันมากเลยแต่เหตุผลในทางสหาชาตปัจจัยนั้นที่สูตรได้ง่ายเพราะเหตุก็อยู่เดียวนั้นผลก็อยู่เดียวนี้ก็มาดูในส่วนกรณีข้อที่หนเนี่ยจิตกับเจตสิกอยู่ด้วยกันไอ้ที้เราก็เขียนเป็นภาพสมมุติอย่างที่เขียนกันมาบ่อยๆแล้วเนี่ยนะแล้วก็นี่มันจะมีความสัมพันธ์กันคือขณะจิตขณะเจตสิกทั้งหมดเนี่ยมีความสัมพันธ์และก็เป็นพลังซึ่งกันและกันไอ้ตัวดวงจิตเองไอ้วงกลมนอกนี่เราเป็น เป็นเขียนเป็นภาพสมมุติของคำว่าคือการรับรู้ส่วนเจตสิกนั้นเป็นความรู้สึกต่างๆในอารมณ์ที่จิตรู้เจตสิกกับเจตสิกข้อเป็นเหตุเป็นปัใจจัยในลักษณะสาหชาติกันถามว่าอย่างไรเอ่อข้อนี้ก็อย่างที่เราเคยพูดแต่ละเพื่อว่าพูดในกรณีอื่นนั้นเราไม่ได้อ้างในลักษณะของเหตุปัจจัยเช่นว่าสัญญาคือความจํากับเวทนาที่เกิดอยู่ด้กันเป็นเหตุเป็นผลอุดหนุนกันไหมในขณะนั้นตอว่าอุดหนุนอุดหนุนอย่างไรก็ถ้าพูดกัน อย่างให้มันเข้าความรู้สึกเลยก็คือว่าในขณะที่เราจิต ผ่องใสเนี่ยความจําก็ผ่องใช่ไั้ฮะขณะที่สมาธิดีความจําก็ดีถูกไม่ถูกแล้วก็ในขณะที่สมาธิดีเนี่ยฉันทะก็ดีศรัทธาก็ดีปัญญาก็ดีแล้วก็เมื่อปัญญาดีในปัญญามันก็มีผลกลับมาทําให้สัญญาดีทําให้สมาธิดีเป็นเหตุเป็นปัจจัยหนุนกันเหมือนกับเราเอาตัวยาแต่ละชนิดแต่ละชนิดเนี่ยมาปรุงมาประกอบกันขึ้นมาต้มลงในหม้อดเดียวกันยาแต่ละยานั่นจะมีส่วนดีเป็น ของตัวของตัวถ้าหากว่าเราไปกินแต่ละอย่างกินอย่างเดียวกินแต่ละอย่างต่างเวลากันหายไหมครับโลกมันก็ไม่มีผลไม่มีอนุภาพทางโอสซนสารแต่ว่าถ้าเราเอามากินในคราวเดียวกันมาต้มให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ดื่มฝอยานั้นก็มีอนุภาพพวกกับพวกแกงปแป้งปัดอะไรต่างๆก็เช่นเดียวแม้แต่ความสวยความงามของคนของสิ่งของเนี่ยก็จะต้องมาอยู่ในขณะใช่ไหมถ้าหากว่าดูแต่ผมทีหนึง่งหรือดูแต่ควันทีหนึง่งหอดไม่ให้ดูมันก็ไม่สวยอย่างที่ปลาท่านชอบดูดูอย่าง เพราะท่านต้องการจะดูไม่สวยตัวไม่เหมือนกับเเพราะฉะนั้นไอ้สภาวะธรรมทางจิตนี่มันใกล้ๆกันกับอย่างนี้อ่าทีนี้จีตเองกับเจตสิกเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างไม่ได้ยกเจตสิกทุกตัวนะยกตัวอย่างพอเห็นไอ้ทั้งบุญทั้งบาปก็จำลองเดียวกันนี้เพื่อให้ให้เป็นการอธิยายที่กระชับจิตกับเจตสิกมันสัมพันธ์กันแล้วก็อุดหนุนกันในลักษณะของศาสตรชาติแล้วออกผลมาเป็นอย่างไรพอที่จะยกตัวอย่างให้เข้าใจสภาวะได้เมื่อเราเข้าใจว่าจิตนั้นโดยลักษณะแล้วคือการรู้อารมณ์สัแบบ แต่ว่ารู้ไม่มีการเติมค่าเติมค่าหมายถึงไม่ไม่ใช่เป็นตัวสร้างรัตนสติหรือรู้สึกว่าอย่างนู้นอย่างนี้เออันนี้นะผมก็เคยพูดตอนอธิบายเจตสิกแล้วแต่ก็จําเป็นจะต้องย้ําเพื่อว่าจะโยงเข้ามาสู่ตรงนี้อีกทีหนึ่งพอเข้าใจได้นะฮะว่าเจตสิกที่เราไปแปลว่รุงแต่งด้วยโดยสภาว่ามันก็คือว่าจิตนะั่นคือการรับรู้ทีนี้คนเราเมื่อรู้แล้วมันห้ามไม่ได้ ท lei, yummy, omes, bas, life, like juego, right? yes, ี else, right? why why? ่จะไม่ให้จำจำเล็กจำน้อยจำยาวจำยุ่ยแค่ไหนก็ต้องจำใช่ไหมมันห้ามไม่ได้ที่จะไม่ให้เกิดความรู้สึกอะไรเลยในสิ่งที่จิตรู้อยู่จะรู้สึกมากรู้สึกน้อยรู้สึกนานแค่ไหนอย่างไรอีกเรื่องหนึ่งแล้วมันก็ห้ามไม่ได้ที่จะทําให้เกิดความรู้สึกตั้งใจจงใจที่จะทําอย่างนั้นอย่างนี้คือเจตนาใช่ไหมตอะนั้นไอ้ความรู้สึกเหล่านี้มันเป็นเจตสิกที่เป็นเจตสิกยืนบางคือความรู้สึกที่ยืนอยู่กับความรู้สึกทั้งทางต่ําทั้งสูงทั้งดีทั้งชั่วไอ้ทาง ถ้าเป็นความมิสูนทางชั่วนะมันก็ บ, บางทีก็ชั่วแบบนี้ที่ชั่วแบบนี้ดีก็ดีแบบนี้ไม่ดีก็ดีแบบนี้มันอาจจะเปลี่ยนหน้าได้บางยกตัวอย่างเช่นถึงคราวเอ่อเรารับรู้อารมณ์เมื่อย่างแล้วโกรธเป็นเจตสิกใช่ไหมา เป็นความรู้สึกาาต่ออารมณ์อย่างในต่ออารมณ์ที่จิตรู้อย่างหนึ่งถึงคราวที่เราโลภก็เป็นความรู้สึกต่ออารมอย่างนึงอันนี้เป็นเรื่องเจสิก <S. S. S>. ก็นี่ก็พูดเพื่อีจะแยกให้เห็นว่าจิตมันอยู่ตรงไหนเจสิกอยู่ตรงไหนทีนี้แกมาพูดถึงความสัมพันธ์กันที่มันเกิดลวงว่า <c oughs> ผมถามว่าท่านเห็นเอาเป็นว่าท่านเห็นอารมณ์ใดอารมณ์อย่างหนึ่งอยู่เช่นว่าเราหลับตาแล้วก็นึกถึงตัวเองนึกถึงหน้านึกถึงความรู้สึกนึกคิดของเรา ก อ, อดจิตจับสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ได้สิ่งนั้นคื อ, อ น, นี่ก็ให้นึกตามไปด้วยนะตามมันนึกถึงหน้าตัวเองได้ไหมได้นึกถึงความรู้สึกที่เรานั่งแล้วมันสบายมันเจ็บมันปวดอย่างไร ได้หรือไม่ก็ว่ได้ทีนี้นั่นนะคือเท่าที่เรารู้ถึงถามว่าท่านลงองมองลงไปซิดูลงไปซิว่าไอ้ที่นั่งนี่มันไม่ใช่ตัวตนนะมันไม่มีเก้าอี้นะมันไม่มีก้นนะมีแต่สภ า, าวะธรรมคือรูปและนามและเกิดดับด้วยและรูปนามที่รู้สึกว่าเป็นสุทุตูนะเกิดขึ้นมาจากกรรมเข้ามาคอยจ้องให้ผลในจังหวะในลักษณะกรรมปลีกย่อยด้วย เห็นไมไม่รู้สึกเมือนเต้นอะไรเลยไม่เชื่อเลยนะและไอ้ที่ได้มานั่งเก้าอี้ตรงนี้ได้มานั่งตรงนี้ได้มาเห็นอันนี้ได้มาฟังอันนี้เพราะกุศลกรรมอันนี้เห็นถามว่าคนที่ไม่เห็นเนี่ยไอ้คนทุกคนไม่เห็นอย่างเราทุกคนไปเลย แล้วคนที่เขาเห็นเคือกัถามว่าเขาทุกคนเห็นอย่างที่คนเห็นเห็นหรือไม่ถามว่าไอ้ที่เห็นได้นั่นมันมันเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งใช่ไหมฮะเห็นได้แค่ไหนมันก็เป็นอารมณ์อย่างทีนนี้ถามว่าแล้วทําไมบางคนเขาถึงสามารถที่จะดูนั่งแต่ดูลงไปจับอารมณ์ลึกได้บางคนจับลึกไม่ได้เรื่องอะไรล่ะอะไรเป็นตัวอันนี้อย่าไปพูดออกนอกจิตนวผมกำลังจะพูดเรืงไอ้กลไกของในในจิตสึ่งที่มันเป็นตัวทําให้จิตจับอารมณ์ลึกได้พูดนี่เป็นตัวอย่าง ในทางภาวนาเราก็ต้องบอกว่าสติกับสัมปชัญญะหรือญาณก็ได้นะญาณก็ได้ที่มันจับอารมณ์หรือทําให้จิตนั้นจับอารมณ์ได้ลึกเ่าละคราวนี้เมื่อจิตจับอารมณ์ได้ลึกตัวปัญญาก็สามารถที่จะเจาะลึกลงไปได้อีกขั้นหนึ่งใช่ไ้มเพราะจิตออนี่มันเป็นตัวกินชั้นอารมณ์เข้าไปเรื่อยแล้วที่มันกินก็ไปได้เพราะมันมีผานเกลื่อยตัวปัญญาพอผานเจาะเข้าไปได้มันก็กินลึกลงไปอีกใช่ไหมคันไถ่ลงลึกลงไปอีกลงไปอีกลงไปอีกต่างฝ่ายต่างเป็นปัต ใจกันอย่างนี้เรานึกถึงว่าไอ้รถมันไปขุดดินขุดอดินมาผมดินนะนะเอที่แรกมันก็เห็นหัวคนเห็นหัวรถนะเอขุดไปขุดมารถก็ไปจมลงไปเอถามว่ามันจมลงไปได้ยงไงเราบอกว่ามันจมไว้ที่จมลงไปได้เพราะไอ้ตรงนี้ทนะี่นั่นเรงไอ้กระ buoy t a ใช่ไหมแล้วถามว่า และกระบวยตักมันถึงจมลงไปจมลงไปได้อีกกว่าอะไรตามมากระบว o อย่างเดียวมันจมลงไม่ได้ไหมจมไม่ได้ไม่มีคนบังคับรถไม่มีรถให้คนบังคับมันกระบว o มันก็ลงไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาพจิตกระสภาพยายจิตเนี่ยมันถึงเป็นปัจจัยต่างคนต่างมีพลังแสดงพลังสู่ของตัวอุดหนุนไม่แก่เจตสิเกเจตสิกสทุกตัวเนี่ยก็มีพลังย้อนกลับมา ดึงลังอุดหนุนกันลงไปลงไปการรับรู้ลึกได้แค่ไหนเพราะมียานเป็นเครื่องชักนำเป็นเครื่องอาศัยเจาะแต่งลงไปเท่านั้นฉะนั้นาบางคนหลับตาแล้วทำไมก็เห็นห น, นู่นเห็นนี้เห็นนู่นเห็นนี่ก็มีหลายแบบอยู่นะ แต่เป็นไรเห็นห น, นู่นเี็นนี่แบบทางไหนหนับปุ๊บเปลี่ยนปับ๊บบางคนก็นหลับแล้วก็มืดสนิทเลยไม่เห็นอะไรแล้วบางทีชวนให้เห็นก็ไม่เห็นนะพยายามไม่เห็นก็ไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นไอ้แม่ใจสิ่งที่ตาเห็นเนี่ยมันยังลงลึกไม่เท่ากันเลยเพราะกลไกของไอ้จิตอาศัยคุณสมบัติหรือเจตสิกที่ประกอบด้วยเนี่ยคมลึกแค่ไหนมันก็พากันลงแล้วก็อิงอาศัยกันลงไปลงไปนี่คือลักษณะของสหาชาต่าปัจจัยทีนี้ในมุมปฏิบัติในมุมปฏิบัติอันนี้ก็เหมือนอย่างที่เคยพูด วา่าสั้นๆวา่าการทําสหชาติหรือธรรมสามมาคีเนี่ยสามมาคีในสังคมบุคคลถ้าเป็นสามมาคีของคนชั่วดีนะครับถ้าเป็นสามมาคีของคนดีดีบางทีมันก็ยากมันมันมั่วเหมือนกันบางทีก็เขาบอกนี่พอข้างหนึ่งมาเป็นลัฐบาลเนี่ยมีพวกมอบหลับจา ะอะไรเงี้ยแวะไปหน้าธรรมเนียมนะกน็พูดก็ไปพูดกนมาอะไรเงี้ยนะเราก็บางทีก็บงังกว่าเราผมก็ไม่เคยไปแวะเวียนยุ่งเกี่ยวเขานะก็น่าจะเคยแล้วมั้งทีนี้ในแง่ของธรรมะเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันก็เหมือนว่ามันทําท่าจะถนักที่จะสามารถขี่ในทางความรู้สึกข้างร้ายใช่ไหมเห็นที่บอกไหมอะไรที่มันชั่วๆแล้วไหมเห็นลึกลึกซึ้ ง, งใช่ไหมบางคนห้ามในคิดอยอดกินไม่ได้ยังไงนะสารพัดอย่าง ตาเห็นหูได้ยินไ อ, ไ, อไอ้ไอ้ความคำสมาีิที่เป็นอากขุส ร, รัคัมอกุสรัตธรรมเนี่ยมนลงลึกแล้วมีกำลังมีอนุภาพไอ้อย่างนั้นนะถ้าเป็นทางพระแล้วต้อง ต้องทําลายสามัคคีต้องเป็นวัศกาลพราหมของอกุศลธรรมอย่าเป็นวัศกาลพราม์ของกุศลธรรมกุศลธรรมนั้นต้องสามัคแล้วก็ต้องทําสามัคคีนั้นให้ถึงขั้นมัคขาสามัคคีถ้าถึงขั้นมัคาสามัคคีเนี่ยจะสูงสุดเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยมาแวะเวียนอย่างที่ปลาลบกันในทางศาสนาแล้วผมก็เจอบางคนที่ก็มีคุณสมบัติทางนี้ก็คุยฝากช่วยเชยร์กันอดุดรุ่ไปแหละว่าผมก็บอกว่าอย่างผมเนี่ยผมก็อาจจะทําได้ ในลักษณะของในเชิงวิชาการแต่ผมก็ไม่ได้มีคุณสมบัติในทางประฝานตามที่จะเอาอเรียกว่าบุคคลที่เป็นหัวกะที่ทางศาสนาเนี่ยมารวมาลังกันแต่มีบางคนเนี่ยมีมีศักยภาพทางนี้ไม่ใช่นักวิชาการแต่สามารถที่จะรวมคนที่เป็นเป็นคนที่มีบทบาททางศาสนาเนี่ยมารวมกันผมก็อนุโมทนาแล้วก็บอกว่าให้น่าจะใช้พลังทางนี้รวมตัวเพื่อ ให้เป็นประโยชน์ในทางการปกครองก็ดีเป็นประโยชน์ในทางการเผยแพร่ก็ดีหรือในทางใดทางหนึ่งที่เกี่ยวกับทางศาสนาเนี่ยให้ได้เพราะฉะนั้นถ้ากุศลหัวกะทิรวมตัวกันเป็นสะอาดชาติกันเท่าไหร่มันจะมีผลต่อชีวิตเราต่อทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยมากเท่านั้นเดัะนั้นการทําบุญก็ดีการไปปฏิบัติธรรมก็ดีก็เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์อันนี้เท่านั้นพระเข้าสมาบัติก็ดีเป็นการเป็นกลางเป็นกลางเนี่ย ก็เพื่อทําอันนี้นั่นเองทําสาปัจจัยสะอาชาติปัจจัยในสูวนนี้นั่นเองถามว่านี่พูดอย่างซีปราท่านหมอถามว่าเอาตัวเราเองเนี่ยตัวเราเองในตัวของเราเองสะอาชาติร่างของเรานี่มันสามะคีกันดีอย่างน่าพอใจอย่างทุกวันเลยมาที่มันสามะคีครับหรือบางครั้งก็แตกสามาืะคีแตกเป็นสองพวกต่างๆมันก็แตกกันมา มันไม่ไม่ไม่ไมสามัคคีกันเสมอไปกุศลจิตเราตอนนึกออกไหมว่ามันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยงไงเวลามันสามัคคีเวลาไม่สามัคคีแต่ว่าถ้าคนไหนที่มีลักษณะของความสามัคคีของสภาวธรรมธรรมสามัคคีสูงเนี่ยทุกอย่างถึงแน่ชัดเรียกเป็นคนที่ที่ที่เราเรียกว่าสันวนลดีเนียวเป็นคนชัดเจนแต่ชัดเจนในทางดีทุกอย่างชัดเจนหมดไม่ว่าจะมาในทางการแสดงตัวก็ชัดเจนไม่ว่าจะมาในทางการแสดงเหตุผล พูดแล้วก็ไม่ลืมคําเก่าทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนหมดนี่คือเป็นผลปรากฏของสหาชาตปัจจัยที่ซ้อนออกมาภายนอกยิ่งว่าใครที่พูดว่าฉันทําดีแล้วไม่ได้ดีอะไรแต่ไรเนี่ยนะอันจริงลวงลึกลงไปแล้วก็เจอดูสายใจธรรมอย่างที่ผมบอกอยู่เสมอแล้วก็เมื่อวางก็ไปเจอบางคนก็เลยขอเล่า ว, ว่าจะมีคุณผู้หญิงคนนีเงเป็นลักษณะเนี่ยแหมไม่น่าจะมาต้อง ถูกคุมประพฤตินี่ท่านที่ดีท่านชวนมาออกรายการแล้วก็มานั่งผมก็ไปออกด้วยก็ที่เ้วก็ถามบอกว่ า, าคุณป้ากันจิอายุสักห้าสิบต้องถูกคุมปาะพฤต เ, เพราะข้อหาอะไรอะไรคุณป้าบอกว่าเพราะให้การเท็จพอบอกแล้วว่าให้การเท็จทผมไม่อยากเชื่อเลยเพราะหน้าตาคุณป้าเลายใกล้ ๆ, ๆเหลาเนี่ยนะ ก็สงสัยเราเนี่ย า, า จ, จะตามไม่ถึงพอร า, ลายละเอียดออกมาเนี่ยก็ให้อธิบายว่าทําไมถึงต้องก่อนคุณป้าเขาบอกว่าคือคุณป้านเนี่ยค่ายพวกรถยดนต์นะแล้วก็รู้สึกจะมีไอ้บ้านเช่าอะไรอะไรด้วยอาคารให้เช่าก็มีไอ้ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยมันมาขอเช่าแล้วเมืันก็บอกว่ามันหน้าตามันดีพูดจานอบน้อมโอ้หน้าเชื่อสนิทใจเลยมันจะมาขอเช่าเสร็จแล้วเออให้คุณป้านเนี่ยเซ็น คุณป้าบองต้องไปเอาสมมติโลกลัวไปเอาบัตรประชาสมบอกแม้มันมันอยู่ที่อื่นเอาไม่ทันจริงๆคุณป้าอนูพรอ้อมเลยผมจะมาเอาทัทีหลังอะไรเงี้ยนะมันก็เซ็นคุณป้าแกก็เป็นคนเมตาน่ะก็เซ็น พอเซ็นเสร็จแล้วหลังจากนั้นเห็นจะไม่เกินสองปีทางอำเภอยื่นจดหมายมาแจ้งข้อหาว่ า, เอ า, เ, อาเอาคนต่างด้าวเข้ามาใส่ฟ้องศาลแกให้รู้เรื่องเลยคะด้วยความคือกบคนให้ดูหน้าเปลี่ยนให้กบคนให้ดูหน้าผมก็บะไอผู้ชายคนนั้นก็คงดีจริงๆแต่คนเรามันมีไอเหตุโจนตัวบางอย่างไอส่วนมันจําเป็นไอเรื่องจะต้องมาหลบหนีเข้าประเทศมันก็เลยมามาหลอกคุณป้า คุณป้าก็เลยขึ้นสารก็ไปสารภาพอีนอนี้เขามีอันนี้เขามีไอ้กลมโวกกลุม่มคือีะมีสืบสายประเภท เข้าไปสืบสายว่าใครเป็นไงจริงแล้วเพื่อเอามาเป็นข้อมูลให้ศาลเนี่ยพิจารณาผ่อนแกก็ไม่ต้องติดนะฮะรอลงอาญาก็กลุ่มบางคนป้าด้ววันนี้ก็เกาให้ไปกวาดวัดก็กวาดก็ดีอย่างนะเออเราฟังแล้วก็รู้สึกว่าแหมเราเทือนใจเมื่อกี้แกก็แหมทําดีแล้วไม่ได้ดีแหมถ้าเราไม่อยู่ด้วยก็เจ้บ้านเดือดเจ้บ้านละใจสานารแต่วันที้ผมเขาบอกว่าคนทําอะไรที่แล้วมันเอ่อมันเกิดผลร้ายเนี่ย นะฮะก็คือว่าทํากุศลแล้วอากุศลเก่าเนี่ยมันให้ผลเพราะอาศัยการทํากุศลนั้นบางคนก็ให้ให้ได้บางคนก็ให้ไม่ได้ให้ได้มากแค่ไน้อยเพราะอะไรเพราะพลังกิจกันของกุศลที่บุคคลทํานั้นรักกุ่มไม่เท่ากันแล้วผมกย็ยกตัวอย่างหลายเรื่องแล้วอย่างง่ายง่ายนี้ว่าเราให้การช่วยเหลือใครสักคนอย่างกลัวมีผลมากไหมครับ กลัวปากคอสันเนื้อทำท่าแยแย่กลัวมันมันนึกถึงบุญคุณแล้วไหมมันซาบซึ้งมันขอบคุณมากที่คุณให้ผมอย่างกลัวปากคอสันใช่ไหมมันไม่รู้สึกอย่างนี้หรือเอาคนโง่ๆง่ะสมมติว่าผมมาพูดทําไม้ท่านฟังอย่างโง่โง่จะแกล้งก็จะแกล้งไม่ไปได้แล้วอย่างโง่โง่เอาโง่ก็ยังมันน่าตัวเลวตัวรังฟังไม่เข้าหูมีผลไหมไม่มีผลมากดังนั้นไอ้ตรงนี้แหละครับมันหมายความว่าอย่างไงมันหมายความถึงไอ้ช่องโหวของ กุศลและทำที่ตัวเองทําไม่รัดกลุกก่มตัวนี้แหละเขาเป็นบทบาทของศาสน า, าตาปัจจัยเราช่องตัวเพรามันรัดกลุกก่มไหมเพราะว่าไอการทําความดีเนี่ยอย่าลืมว่าอกุศลมันก็คอยจมันค่อยจะให้ผลเนี่ยไม่ว่าเราจะทําความดีทางวาช่วยถ้ามันมีช่องมันให้ผลช่องใหญ่มันก็ให้ผลมากช่องน้อยก็ให้ผลน้อยนะแล้วก็ อ, อก็กุศลมืองกันนะนี่ก็ว่าไปซะด้วย คนทําคนทําความชั่วเนี่ยความพยายามบางอย่างมันก็เป็นช่องให้กุศลให้ผลเหมือนกันก็เลยเข้าใจว่าทำความชั่วแล้วได้ดีกานเรื่องมีจึงต้องเก็บไว้ในความสํานึกอยู่เสมอว่าเราลัตกลุ่มแค่ไหนแล้วถ้าหากว่าผลประโยชน์ของการทําความดีนั้นเป็นมีผลประโยชน์มากต้องลัตกลุ่มมากถ้ามีผลประโยชน์น้อยแล้วอาจจะทําทิ้งทงกว้างได้ ใช่ไหมเจนเราให้ขอทานบาทเนี่ย ต, ต้องไปสืบต้องไปสอบต้องกลับไปพิจารณาต้องไปหาข้อมูลก่อนนะไมตต้องจะหลอกก็ได้เราก็ไม่ว่าแค่นั้นเองนะเราไม่ได้หวังผลอะไรแต่ว่าถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างที่เป็นการวองเช่นเราหวังจะไปนิพพานเนี่ยจะเล่นกับวิปัสสนาจะระวงหาเรื่องนี้นัมันเรื่องใหญ่นะครับ มันไม่ใช่มีไว้ให้เราเชื่อตามที่เราอยากจะเชื่อเรื่องใหญ่และแม้แต่เรานั่งหลับตาทําอยู่เนี่ยต้องคอยสำรวจดูแลบริาหารสหชาติของเราที่เรารู้ว่าองคุณมันคืออะไรแล้วควรจะทำอย่างไรเพราะผลประโยชน์ใหญ่ใหญ่อย่างนี้ก็ธรรมดามองไม่เห็นนะแต่ว่าคนที่เป็นคอคอนิพานด้วยกันเนี่ยมองเห็นมีไหมที่นั่งๆเนี่ยที่ทำความดีและไม่ดีตอว่ามีทุกคนมีมากมีน้อยมีโอกาสไหน ทำความชั่วแล้วได้ดีไหมมีทุกคนอย่เหมือนกันแต่เอาไอ้หลักๆสําคัญสำคัญนันเป็นอีกเรื่องหนึง่งผมจะลองทําความชั่วแล้วได้ดีสักครั้งก็ได้ผมอาจจะหมนี่ผมก็กำลังจะมาสร้างเรื่องเป็นตูกตานตาขึ้นมาแล้วก็แจกกลองกระถินนะแล้วก็มาปรานาท่านต้องโอกาสที่ท่านจะเชื่อผมต้องมีเพราะว่าผลหลอกก็เยอะแลนะ้วไงโอกาสจะเชื่อก็มี ก็สั่งสงความน่าเชื่อไว้ไม่นา่าฟั้งตาบอกเลยเดี๋ยวหลอกแล้วไม่สำเร็จ <c oughs> ทีนี้เรามาดูอีกข้อหนึ่งนะมาดูอีกข้อของในสหชาติตาปัจจัยข้อที่ท่านว่าที่แปลความว่ามหาคูตลูบสือปตวีอาโปตวายโยเดโชในขณะเดียวกันเป็นสหชาติแก่กันและกัน ข้อนี้หมายความว่าดินน้ำไฟลมในทางความหมายของพระพุทธศาสนาที่เป็นขั้นปรมัติตไม่ใช่ขั้นสมมุติถ้าขั้นสมมตินั้นมันแยกได้ใช่ไหมฮะน้ำกับไฟเจอกันได้ไหมไม่ได้ไม่ใช่น้ำมันนะแต่น้ำอย่างที่พูดก็ดดใจตัวไป จเจอกันไม่ได้ลมกับไฟก็เจอกัในได้ในบางขอบเขตเจอกันไม่ได้ในบางขอบเขตลมกับดินก็เจอกัในได้ในบางขอบเขตเจอกัมไม่ได้ในบางขอบเขตแล้วก็โดยฐานะของมันมันไม่จะแยกส่วนออกจากกันแต่ว่าโดยปรมัตี่เนี่ยท่านหมายเอาลักษณะดินแข่นแข็งในความรู้สึกที่เราสัมผัสได้ทางกายน้ําก็เป็นลักษณะเกาะยึดเอาลักษณะนั้นเท่านั้นไม่เอาเป็นตัวเป็นตนหน้าแบบใดแบบไดอย่างไรอย่างไร วายโยคือความเร็งตึงแล้วก็เตโชคือลักษณะร้อนไม่ว่าความร้อนจะเป็นความร้อนของอะไรในอะไรเห็นได้หรือไม่ก็ตามและทั้งสี่อย่างนี้จะมีอยู่ในทุกที่ต่างกันว่าสัดส่วนอันไหนจะมากจะน้อยทุกที่เลยมีหมดแม้แต่ปรมาณูหรืออนุเล็กๆเท่ากับไข่เหาหัวเหาก็มีดินน้ำไฟลมอยู่ที่นั้น เราถึงถือว่านี่คือรูปหลักรูปอื่นๆจะเป็นจะมีลักษณะอย่างอื่นขึ้นมาได้จะต้องมีพื้นฐานอยู่บนความเป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมนี่เป็นเป็นรูปหลักอย่างนี้และดินน้ําไฟลมนั้นเป็นปัจจัยอุดหนุนกันอความจริงถ้าเราพูดถึงเรื่องของรูปเนี่ยก็จะเห็นว่ามันอุดหนุนกันแบบมันขัดขัดแยงแยงกันอยู่เหมือนกันนะะอย่างเช่น ปฐวีกับอาโปนี่ถือว่าเป็นธาตุนิ่งเป็นคู่ธาตุวายโยกับเจโชเป็นธาตุเคลื่อนที่แล้วหรือทำให้เคลื่อนที่เป็นคู่ธาตุกันคือนิ่งกับเคลื่อนที่และสองคู่นี้เป็นปฏิปักษ์กันเพราะฉะนั้นในความเป็นรูปเนี่ยมันถึงเป็นความ กลมกลืนและกลืนกินกันอยู่ด้วยกันความสอดคล้องและความขาดแย้งอยู่ด้วยกันแต่อันนั้นท่านก็ถือว่าเป็นปัจจัยกันนะเพราะฉะนั้นไอ้สภาพรูปมันทั้งหลายจึงมีเกิดแก่แปรปรวนแต่ทั้งๆ้ ท, งที่มังกรพยายามจะอยู่ด้วยกันนั่นแหละนั่นคือความเป็นสาชาตาปัจจัยอ่าทีนี้พูดถึงว่าไอ้ศาชาตาปัจจัยของดินน้ำไฟลมในแต่ละสภาพกนตรนี้อธิบายกันแล้วก็ไปกันเป็นเชิงขยายความใหญ่โตไป หน่ยแต่เอาอ้างตรงนี้นิดนึงว่าอดินน้ําไฟลมที่มันมีความสมดุลหรือไม่สมดุลกันแค่ไหนอย่างไรในตัวใครในเวลาไกลในอวัยวะไหนเพราะอะไรเหตุปัจจัยส่วนอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่มาคุมหรือมาจัดความเป็นสหสชาติในส่วนของอกลุ่มรูปที่เป็นดินน้ําไฟลมเนี่ย มันยังมีที่ส่วนที่เข้ามาเหยียบ อ, อธิบายตามไปได้ว่าเช่นว่าคนเป็นโรคนี้หรือขณะนี้เมื่อนั่งกรรมฐานอยู่ธาตุไหนปรากฏชัดในอิริยาบถใดธาตุาไหนปรากฏชัดได้ให้นึกอย่างที่เคยพูดพูดมาแล้วนะว่าเวลายกเวลาย่างเวลาเหยียบเวลา ย, ยัายานธาตุไหนปรากฏชัดนีนะในฤดูนี้ในเวลาตอนเช้าเวลาตอนสายหน่อยเวลาตอนกลางวันเวลาตอนเย็น ธาตุาไหนปรากฏชัดเวลายอหิวเวลาอิ่มธาตุไหนปรากฏชัดนี่ถ้าคนทำวิปปะนาเขาก็จะเห็นเป็นธรรมดามันก็หมุนเวียนให้รู้สึกได้อย่างง่ายๆไม่เป็นการยากอ่าทีนี้ว่าไอ้ตรงนี้เราคือความไม่สมดุลแต่ว่าถึงจะสมหรือไม่สมดุลเนี่ยเรื่องของรูปเนี่ยนะมันเป็นสาชาติทั้งนั้นและไม่สมดุลก็ทําให้เกิดสาชาติในลักษณะที่ทําให้เกิดความเบียดหายานี่ก็เทียบเหมือนกับ เหมือนกับกุศลกับอกุศลกุศลกับอกุศลสมดุลอันหนึ่งก็กลายเป็นอกุศลสายชาติอันหนึ่งเป็นอกุศลมีผ ล, ล้ายอันหนึ่งเป็นกุศลทีนี้ไอไ้ในทางทางรูปนี่มันมมมไม่มีกุศลไม่มีอกุศล็น ต, ตัวมันเองใช่มั้ยะมันเป็นแต่รูปเป็นอัพยากตะอัพยากตะแต่ว่ารูปเนี่ยมันมีทั้งรูป ในบางครั้งปรากฏอาการอย่างน่าปรารถนาอย่างไม่น่าปรารถนาก็มีใช่ไหมเช่นคนเป็นโลคเลนเนี่ยธาตุใดปรากฏชัดหล่มท้องเสียธาตุใดปรากฏชัดหนาวท้องหูดินปรากฏชัดร้อนในธาตุไฟปรากฏชัดนี่มันเป็นลักษณะแทนท่านามาทำเรียกว่าเป็นปุอากุศล น, นะแต่นี่คือมันเป็นอย่างนี้อาจจะมาจากจิตออมาจากกรรมก็ได้มาจากอุตุก็ได้ มาจากอาหารที่กินก็ได้ได้ทุกอย่างในในบริเิตตัวข้อธิบายไว้เป็นที่จดเจนแต่ทั้งหมดนี้เป็นสาหาชาตปัจจัยเท่านั้นเลยพูดว่าสาหาจะปัจจัยของรูปที่โดยฐานะตัวมันเองเป็นอัพญญาคตธรรมแต่มีสภาพเป็นอิทาลมบั้งอนิธารมบังแล้วแต่กรณีแต่เรียกว่าเป็นสาหาชาปัิที่เป็นปัจจัยอุดหนุนกันต่อไปกรณีที่สามกรณีที่สามนามรูปในขณะ ปติสนธิเป็นสหาชาติแก่กันสหาหชาติที่เราใช้ในกรณีภาษาเนี่ยเราก็จะไม่ใส่รละเอียดหรอกนะแต่ว่าในบาลรีเ้าก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างแปลไปแปลมาได้ที่ว่าเป็นสหาชาติแก่กันเนี่ยหมายถึงในขณะที่คนเกิดจะเกิดเป็นเทวดาก็ดีเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีย่อมมีทั้งรูปและนามปรากฏขึ้นพร้อมกันนี่โดยสภาวะธรรมนะครับ อ่าไอายย้หยาตอนนี้อย่าพึ่งไปนึกเอาไอ้เรื่องพูดผีวิชาตรเรื่องอะไรอะไรเอาเข้ามาปนเดี๋ยวค่อยมาปนอีกีเมื่อปฏิสนธิจิตอย่างลงนามรูปก็ปรากฏหรือนี่ผมจ้องถามดูนี่ไอ้หลักก็คือปรากฏพร้อมกันนี่ถ้าถามว่าไอ้รูปมีมาก่อนปฏิสนธิจิตหรือปฏิสนธิจิตมาก่อนรูปไม่ใช่ทั้งสองอย่างใช่ไหมอ่าเดี๋ยว ก, ก็มีคนแยวเอาก็ ไอ้อัตภาพเราเนี่ยเราไม่ได้ผลมาจากไหนนี่เราเราได้จากไหนก็ได้จากในการของมารดาใช่มะที่สําเร็จขึ้นมาเป็นอัตภาพของเราแต่ละคนแต่ละคนวิญญาณไม่ได้ขนมาจากไหนแต่ว่าตรงนี้ท่านบอกว่าไอ้ตอนที่วิญญาณยังไม่หยางลงเนี่ยอ่ากรรมยังไม่ยึดครองก็ยังไม่ใช่อัตภาพเราถ้าวิญญาณหยางลงปุ๊บแปลว่ากรรมเรายึดครองกลายเป็นอัตภาพเราตอนนั้นจึงถือว่าปฏิสนธิจิตกับปฏิสนธิรูปเนี่ยพร้อมกัน ไม่ก่อนไม่หลังกันตอนปฏิสนธิอย่างลงขนาดนั้นเนี่ยไม่มีสัตว์ใดรู้ตัวครับแม้แต่พุทธเจ้าตอนปฏิสนธิเป็นปฏิสนธินะไอ้รู้นะ่นรู้ก่อนก่อนจะปเป็นปฏิสนธิเพราะอะไรจึงไม่รู้เพราะปฏิสนธิเนี่ยมันเป็นวิบากริตไม่มีความสํานึกเหมือนเราหลับจิตหลับนี่ก็คือลักษณะจิตของปฏิสนธิจิตที่ยังยืนพื้นอยู่นั่นเองเรียกววังกระจิตหรืออาจจะมารู้ตอนหลังจากเกิดแล้ว สำหรับคนบางคนบางคนก็อาจจะไม่รู้ในลักษณะไกลจิดแต่ชันจิตอย่างนั้น <c oughs> คนที่เวลาเขารู้ตัวว่าเขาไปเวียนว่ายหาที่เกิดเนี่ยพอถึงเวลาจุดเขาจะเกิดเขาจะพูดตรงกันหมดเลยทั่วโลกคือบอกความรู้สึกดับมูกใช่ไหะเคยดียินเคอ่านไหมความรู้สึกดับ นั่นแหละหมายก็ว่านั่นคือภาคของการเกิดจริงตายจริงแล้วตอนนั้นแต่ถ้ายังมีความรู้สึกแจมอยู่เ ง, งี้ยก็ะย่างอ่ามีที่ก็ถามว่าไอตอนที่เขาเขาล่องลอยก็หาที่เกิดเขาเกิดได้ยังก็บอกว่ายังไม่เกิดในอัตภาพใหม่นี้แต่เกิดในอัตภาพก่อนแล้วความจริงเราเคยพูดแล้วเกิดในอัตภาพก่อน ทีนี้ไอ้ตรงนี้นะแหมก็เดี๋ยวก็เลยจะแวะแวะต่อไปอีกนิดนะ่ะต่อเยอะเดี๋ยวเบื่ อ, อไอ้ที่พูดถึงเรื่องกายทิพย์เนี่ยผมก็บอกว่าเออกายทิพย์ออกจากร่างหนึ่งเป็นวิญญาณทิพยกายทิพย์เอแล้วผมบอกว่าผมก็ชี้ไปชี้ในากาบอก า, กาเนี่ยมีกายทิพย์ไหมมีไหมในากาเสือ้อมีกายทิพย์ไหมกางเกงมีกายทิพย์ไหมบอก เออแล้วทาไมไอ้คนวิญญาณตายมันถึงใส่ในาฬิกาเรือนเก่าเสื้อชุดเก่าไปเพื่อนอกไปมันก็ใส่เสื้อนอกมานะมาหามาเข้าท้องอะ่ะแสดงว่าเพื่อนอกก็มีกายทิพย์เหมือนเอ้บอกมันไม่มีนะี่ผมก็เลยจะพูดตล่อมเบอรออธิบายว่าไอ้กายทิพย์ที่เราพูดพูดกันมึงเือะแหละแล้วก็พูดให้ได้คิดตรง น, นี้มันก็แล้วถามว่ากายทิพย์หน้าตาด้วยไงยบอกหน้าเหมือนชาติที่แล้วแหละบอกแล้วถ้าเกิดและตายใหม่แล้ว ออกจากวิญญาล่างเกา่ากายที่หน้าตาเยังไงอีกบ่งก็เหมือนชาติใหม่ตายจากหมาหน้าก็เป็นหมาตายจากผู้ชายก็เป็นผู้ชายตายจากอะไรมันก็เป็นเฮ้ยอย่างนั้นมันเป็นอมะตะไหมเป็นอัตตาไหมอันนี้ก็เราอธิบายไปได้ทุกอย่างที่เขาเข้าใจกันนะเพื่อจะยืนหลักทางศาสน า, ศาทีนี้ไอ้ที่พูดในฟังนี่เป็ น, นเพียงเล่าและให้คิดต่อพวกเราไม่สงสัยแล้วเราใจกลงกันแต่บางที คุยกับคนที่เขาเชื่อเขาเห็นประสบการณ์และแปลความมือทีไม่ได้จะเหลียวใจไ อ, ข อ, อ้ข้อขัดแย้งที่มันไม่กลมกลืนกับความเชื่อในส่วนอื่นของตัวที่ท่านกล่าวว่าปฏิสนธิจิตกับปฏิสนธิรูปเป็นสหาชาติั น, นี่ก็คือเกิดพร้อมกันและเป็นปัจจัยกันถามว่าเป็นปัจจัยกันนี่ก็คือวิ ญ, ญญาณผู้อยางลงก็เป็นปัจจัยให้เกิดอัตภาพ วิ ญ, ญญาณไม่อย่างลงอัตภาพก็ไม่ปรากฏใช่ไหมและอัตภาพที่ปรากฏทีแรกนั้นก็ถือว่าเป็นตัวรองรับวิ ญ, ญญาณนะเหมือนเป็นพานทองรองรับวิญญาณเราถึงว่าเทียบมือวิ ญ, ญญาณอย่างลงตกหลงถูกซัดมาเนี่ยมาพอลงปั๊บเนี่ยมันมีอํานาจที่จะทําให้เกิดการผันแปรสถานที่ที่มันอย่างลงให้กลายเป็นคูหาต่อย่างคือเป็นที่สิงก็เลยว่า เราเราทียบเหมือนกับอย่างบ้านเราเนี่ยถามว่าเราเป็นปัจจัยแก่บ้านหรือบ้านเป็นปัจจัยแก่เราเราเป็นปัจจัยแก่บ้านและบ้านก็เป็นปัจจัยแก่เราเราปลูกบ้านเพื่อบ้านเพื่ออาศัยบ้านบ้านอาศัยเราเราก็อาศัยบ้านเราอาศัยธรรมะธรรมะก็อาศัยเราจำนองเนี้ยนะเราปลูกบ้านเพื่อบ้านเพื่ออาศัยบ้าน บ้านอาศัยเราเราก็อาศัยบ้านอเราอาศัยธรร ม, มะธรร ม, มะก็อาศัยเราอ่ะจำนองนี้นะเราอาศัยบุญบุญก็อาศัยเราเลยพระพุทธเจ้าใช้เป็นสองจำนวนเลยเพื่อจะได้ให้ผู้เหตุเป็นอันเดียวกันบางแห่งบอกว่าบุคคลจะดีจะชัว่วจะบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์นะด้วยตนเองใช่ไหมทีนี้ก็บางแห่งก็บอกว่าบุคคลเอา่า สัตว์เนี่ยมีกรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นบางที่พูดไปด้วยกันว่าจงมีตนเป็นที่พึ่งเถิดจงมีธรรมเป็นที่พึ่งเถิดอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยเลยเป็นอันเดียวกันไงเป็นเรื่องเดียวกันมันอยู่ในอาศัยกันอยู่ในตัวเราเนี่ยผมผ่านเลยไปถึงข้อย่อยที่สีจิตกับเจตสิกเป็นสหาชาติแก่รูปอ่าข้อนี้นะหมายถึงว่าจิต ในขณปรากฏในขณะใดเป็นเหตุให้รูปเคลื่อนไหวได้ในขณะนั้นรูปที่เคลื่อนไหวในขณะใดเพราะจิตในขณะใดจิตในขณะเดียวกับรูปนั้นชื่อว่าเป็นสหาชาตะปัจจัยแก่รูปเราเรียกรูปที่เกิดจากการบังคับของจิตว่าจิตตะจชะรูปแปลตามศัพท์ว่ารูปที่เกิดจากจิตนั่นเอง รูปที่เกิดจากจิตเป็นเหตุเป็นปัจจัยบังคับจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่เถอะแต่หมายความอย่างนี้แล้วก็บังคับเนี่ยก็มีทั้งบังคับโดยอัตโนมัติกับโดยเจตนาโดยอัตโนมัติก็คือไอเราอยู่เฉยๆไอความเคลื่อนไหวในรูปเนี่ยมีตลอดเวลาโดยเจตนาก็คือว่าเมื่อมีความตั้งใจว่าจะพูดอย่างนี้จึงพูดอย่างนี้ เมื่อมีความตั้งใจจะรมอย่างนี้ก็ตามอย่างนี้เออแม้ไอคําว่าโดยเจมีเจตนาเนี่ยบางทีไอ้เวลาเราพูดกันเราอาจจะพูดว่าคนบางคลพูดโดยไม่มีเจตนาทำโดยไม่มีเจตนาจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกในทางข้อได้จริงนะแต่มันมีความหมายอย่างที่เราพูดกันเช่นว่าเราไปเหยียบเท้าเขาโดยไม่มีเจตนาหมายก็ว่าเราไม่มีเจตนาที่จะเหยียบใช่ไหม แต่มีเจตนาไม่คือไม่มีเจตนาที่จะเหยียบเท้าแต่จะเหยียบอย่างอื่นเงเอิญเท้าคนอื่นมาขวางเราก็เลยเหยียบไปโดนเท้าบางทีก็บอกว่าไม่ได้มีเจตนาจะดา่านี่พูดว่าท่าไม่ไม่ใช่โกหกนะพูดไปหล่าว่าครับไม่มีเจตนาจะดา่าก็ไอ้บางทีมันก็มีหลายกรณีบางทีไอ้คนโกรธเนี่ยเขาโกรธ ด, ด้วยความเข้าใจกันนึงแต่บางทีเราเราไม่ได้มีเจตนาที่จะร่วงเกินเขาถึงขนาด น, นั้น เพียงมีเจตนาลงเกินแค่นี้เราก็ปฏิเสธไม่มีเจตนาทั้งกันนะหรือบางทีเราอาจจะไปด่าคนอื่นแล้วคนอื่นเขาออกมารับก็หมายความว่าเราไม่มีเจตนาจะด่าคนนั้นซึ่งโดยสรุปแล้วเนี่ยสร้างศาสนาเราถือว่ามีเจตนาที่จะสั่งกายวาจาให้ทำอย่างนั้นลงไปแต่ขอบเขตของเจตนานั้นไม่เกินเลยออกไปสู่คนอื่นไปสู่สิ่งอื่นเราก็ปฏิเสธ โดยหมายเอาในส่วนอื่นว่าเราไม่มีเจตนาไปถึงตัวอื่นว่าไม่มีเจตนาไม่มีเจตนาคจริงแม้แต่คนละเ ม, น ม, เน ม, มอนี่มีเจตนาไหมมีฉันบอกมีมีเจตนาที่จะเดินออกไปแต่เพียงว่าไอ้คุณสมบัติของเจตนาตอนนั้นมันอย่างนั้นไม่ใช่อย่างเข้มข้นที่เอพึงพูดได้ว่ามีเจตนาแบบอย่างธรรมดาเราก็ไปเถียงไม่มีเจตนาอย่างธรรมดาแต่มีเจตนาอย่างนั้น เพรานั้นไอ้ตรงนี้นะะอย่างที่คุยกันเมื่อเช้านี้ว่าไอ้เจตนาเรามันถึงมีขอบเขตต่างๆแล้วเราเวลาเราจะบริหารกรรมเราต้องรู้จักจํากัดขอบเขตเจตนาเรานะเราลองนึกดูว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีถ้าเจตนาเราเพียงแค่เดินสักแต่ว่าเดินไม่ได้มีเจตนานอกเหนือจากนี้นอกเหนือจากนี้เนี่ยหมายถึงว่า จะเดินเจตนาจะเดินไปเหยียบใครให้เขาตายได้รับบัตรหรือไม่มีเจตนาเดินไปเอาอะไรของใครเดินไปฆ้าใครจะไปเอาบาปมาให้คนนั้นกับการเดินนั้นไม่ได้ใช่ไหมดังนั้น้เราเราเดินเนี่ยเราจะมีเจตนาตั้งเขตเอาไว้เสมอแม้ที่ที่ลุกไปเมื่อกี้เนี่ยถามตัวเองไหมว่าเดินไปเนี่ยไปไหนถ้าคนทาเนี่ยก็จะมีคําตอบให้ตัวเองได้น่ะต้องมีคําตอบให้ตัวเองได้ เวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือไม่ปฏิบัติธรรมแม่เดี๋ยวนี้เราบงทีก็ต้องถามเราลุกไปทําไมนะฮะมีมันจะอึดอัดหรือเป่าไม่รู้นะชีวิตจะต้องอยู่อย่างเงี้ยเราลุกไปทําไมเราทําอย่างนี้เพื่ออะไรมีมีเหตุผลถ้าถ้าคนปฏิบัติเนี่ยเขาจะสอนให้มีเหตุผลเพื่อละสิ่งจํากัดเจตนาของเราเนี่ยให้อยู่ในขอบข่ายที่เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติทําไมทําไมอา่า เราเนี่ยจะรู้ถือถ้าสืบหน่อยมันก็ไม่ลำ บ, บากทําจะรู้ตัวเองแต่ว่ามันไม่ใช่รู้ทั้งหมดเราเนี่ยจะมีไอเจตนาเกินเลยที่มันแทรกซ้อนเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวเองเยอะเลยรู้แกล้งเป็นไม่รู้หรือรู้แล้วพยายามตัวเองรู้แต่พยายามไม่ให้คนอื่นรู้อย่ง้ก็มีแต่ที่เราไม่รู้เนี่ยเยอะไม่รู้ว่าเรามีแล้วก็ไม่รู้ค่าของไ อ, ไอสิ่งแทรกเข้ามาเช่นว่า อย่ายกตัอย่างแ บ, บแ่ใช้แบบแชาติเลยก็เช่นว่าคนทําบุญเอาหน้าเนี่ยเขารูไ้ไหมว่าเขาเอาหน้าต่อว่าบางคนเขาก็ไม่รู้มางนก็ทําไปไม่ได้คิดอะไรแต่ตัวเองมันมีเจตนา น, น้ําเปียกเถอะแต่ถ้าซักไซสจริงๆมีคนได้แต่เขาอาจจะไม่รู้ว่าไอ้การทําบุญเอาหน้าเนี่ยคุณค่ามันเป็นอย่างไรผลที่จะได้รับมันเป็นอย่าะไรควรไม่ควรอย่างไรหรือผมนะบอกได้เลยว่า เราทำอะไรอะไรทุกอย่างมันจะมีอยู่สองส่วนไอ้ที่เรารู้ว่าเรามีความคิดหวังอันนี้กับที่เราไม่รู้เนี่ยไม่ว่าเราจะอดําเนินชีวิตอยู่ในชีวิตประจาวันและไม่ว่าเราจะอยู่ในห้องกรรมฐานเราเนี่ยจะเสียรู้แก่เจตนาะในบางส่วนอยู่ตลอดเวลาว่าเวลาที่เราเก้าวขึ้นไปขั้นสูงเราถึงทันยกตัวอย่างเช่นว่า นั่งอยู่นั่งอยืนดิยกมือเกาบหัวไม่เคยสนใจยกเกาทําไมใช่ไหมฮะไม่รู้ล่าเกาทำไมลืมตาทําไมอะไรเงรี้ยลุกไปดื่มน้ำำมําทําไมถามเขาถามมามาทำไมบอกมาดื่มน้ําดื่มแล้วไหมหิวถามมาหิวจริงแล้วบางทีคนแล้วไม่จริงอ่ะไอ้ที่ตอบเนี่ยไม่ได้มีใครเข้ามาถามผมแต่ว่าผมดูจากหลายๆเรื่องเนี่ยนะเราถึงควบคุมถึงเห็นโอ้ยเจตนา ประเภทที่เหมือนโจรปล้นโจรแทกโจรอาศัยเราเป็นเหาเป็นเห็บเนี่ยเยอะไปหมดเลยในในชีวิตเราทําความชั่วก็มีไอของแทกของปลนบางทีไอบุญแกทกเข้ามาก็ได้ย่างงั้นดีแล้วเราไม่รู้ก็มีนะะเราไม่รู้ไม่รู้ไอคําว่าไม่รู้เนี่ยไม่ใช่ไม่มีความรับรู้เป็นจิตอะไรขึ้นมาผมไม่ได้หมายงั้น แต่ไม่มีความรู้ในความนึกคิดที่ตัวเองกําลังคิดอยู่จริงๆขนาดนั้นตื่นลึกหนาบางในการใดกั้นหนึ่งก็ตามนี่นะครับว่าจิตตะชะรูปที่เป็นไปเพราะจิตบังคับเนี่ยมันมีเยอะและที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าไอ้ที่เราไม่รู้เนี่ย <c oughs> เรานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเราเกิดจิตอยู่ตลอดเวลาเจตนาเจตีเกิดตลอดเวลาเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ก็แล้วแต่เถอะเมื่อเกิดจิตขึ้นมามันบังคับรูปให้เคลื่อนไหว ในตัวเราเนี่ยตั้งเยอะแยะโดยที่เราไม่รู้ตัวใช่ไหมถามว่ารู้ได้ไหมตอบว่าได้ถามว่าถ้าอย่งงางนั้นใครรู้รู้โดยวิธีอย่างไรตอบว่าคนฝึกจิตและถ้าถามว่าถ้ารู้กับไม่รู้แล้วมันจะดีมีผลต่างยังไงผมจะยกตัวอย่างให้ฟังของจริงจากประสบการณ์เนี่ยนะก็ไม่ใช่เรื่องพิเศษวิเศอะไระะเราเนี่ย จิตเราเป็นยังไง ร, รูปมันเป็นอย่างนั้นและรูปที่มันเป็นอย่างนั้นมันมีเยอะแยะเลยในตัวเรานี่นะถ้าเมื่อเราหายใจของเราไปไม่ผ่านการรับรู้ของจิตไม่มีพลังแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าเราจิตเราเป็นอย่างนี้แล้วรูปตรงนี้เรามันเกิดไอ้การเป็นจิตทะลุละเอียดเขาเรียกจิตทรูปละเอียดตรงนี้แล้วเราเอาสติเข้าไปจับผลของจิตด้วยจิตบังคับรูปด้วยแล้วก็จับจับรูปนั้นเป็นอารมณ์ด้วยเหมือนเราเราเนี่ย เดินด้วยจิตสั่งด้วยกําหนดจับรูปเดินของเราด้วยพูดด้วยจิตสั่งด้วยจิตจับกําหนดสิ่งที่ตัวเองพูดได้ดูวยนี่เขาเรียกว่าเกิดการควบคุมสองชั้นขึ้นมาเลยครับควบคุมสองชั้นคืออากรชั้นหนึ่งก็คือควบคุมให้มันเป็นไปทําให้มันเกิดขึ้นเป็นไปแล้วก็สองหน่วงนึกในสิ่งที่ตัวเองทํานี่เป็นตัวประเมินนะประเมินผลแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าจะต้องไปดีทุกกรณีนะถ้าเป็นเรื่องเของอาอกุศลแล้วมันไปอย่างไม่ดีครับ เช่นว่ า, เ, าเรากำลังด่าเขาอยู่เนี่ยนะเราระวังไอ้คำด่าแล้วมันถึงใจหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไอ้คนนี้จะด่ายังไงด่าอย่างงี้แล้วจะเป็นยังไงนะเราด่าดังพอหรือยังด่าแค่นี้เดียวอีกขั้นให้อยาบ ก, กว่านี้และให้ดังกว่านี้ดีไหมอย่างงี้จเจริญเมื่อคนดา่าคนด่ามันจเจริญแต่ว่าถ้าเป็นกุศลเนี่ยจเจริญกุศลเจริญค่อยควบคุมคอยดูแลเพราะไอ้ไอ้ความชั่วมันก็ไปให้มันีทางอนะฮะเจริญของมันก็อีกแบบหนึ่ง กุศลเจริญก็เป็นอีแบบหนึ่งแม้ว่าจะดำเนินการในลักษณะเป็นอาการเดียวกันก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นคนสนใจตัวเองเนี่ยยิ่งสนใจยิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งสนใจยิ่งชั่วก็มีใช่ไหคนสนใจตัวเองยิ่งสนใจยิ่งดียิ่งสนใจยิ่งเรียบร้อยยิ่งสนใจยิ่งหน้าเคารพนับถือก็มีชื่อถูกมยิ่งมีความสุขเอเริ่มต่างกตรงไหน ถามว่าคนที่เขาเอรักสวยรักงามเป็นคนเจ้าสำอางด้วยประการต่างๆอันนี้ไม่ใช่ว่ากันนะขอให้นึกเป็นไม่ใด้เรากแล้วจะได้สบายใจแล้วก็หนักไม่เอาเบาไม่สู้กลัวจะอดอยากยา ก, ยากจนมองการไกลถึงกลาวโกงโกงไว้ก่อนถึงข่าวเอาเปรียบเล็กเรเอาไว้ก่อนใช่ไหมกลายเป็นคนเห็นแค่ตัวแต่อีกคนนึงคอยสนใจว่าเอ๊ะเราเนี่ยถ้าเราทําอย่างนี้เขาจะคิดรู้สึกยังไงนึกเออแล้วถ้าเขา เขาเป็นอย่างนี้เราจะคือยังไงนะคอยควบคุมตัวเองเออพวุงนี้ไปอย่างเมั่งคนปฏิบัติธรรมคนทํากรรมฐานคนประพฤติธรรมเนี่ยคือคนสนใจตัวเองด้วยกุศลจิตเลไม่ใช่อื่นไปจะพูดว่าเห็นแก่ตัวมันต้างคำพูดของพระพุทธเจ้าในบางทีไอ้คนไปอ่านแล้วหักเอามาใส่ตัวอย่างหรือใส่ความรู้สึกอย่างนี้เนี่ตัวมันกลายเป็นเหมือน พระพุทธเจ้าสอนในคนเองเแค่ตัวเช่นว่าอบุคคลจะถอนคนอื่นขึ้นจากหล่มได้ตัวเองต้องขึ้นจากหล่มก่อนอย่างงี้นะไอะ้อย่างนี้ก็พอฟังพอเขา้าใจอยู่บ้างบุคคลไม่พึงทําลายประโยชน์ตนด้วยประโยชน์ผู้อื่นความว่าเราเนี่ยต้องเห็นแก่ประโยชน์ของเราก่อนอย่าไปนึก หรืออย่าไปขวนขวายประโยชน์คนอื่นเป็นเบื้องต้นก่อนแต่คำว่าประโยชน์ในความหมายนี้ไม่ใช่ความหมายอย่างที่เราพูดกันในภาษาโลกแต่อธิบายมาแล้วก็ไม่มีอะไรที่เราจะตำหนิได้อันนี้ก็เป็นหลักในทางนองนี้แล้ะครับผมเลยไปถึงข้อที่ห้าข้อที่ห้ามหาพุตธรูปสีเป็นสหชาติ แกอุปาทายรูปนี่อันนี้ก็หมายความว่ามหาภูตรูปสีนี่ครับเป็นวัตถุดิบให้แกอุปาทายรูปปาทายรูปเนี่ยมันมียี่สผมพยายามจะหลีกเลี่ยงไอ้ตัวเล็กไอ้ไอ้ตัวเลขต่างๆไม่ให้เป็นภาระข้างบนนะเกินจาเป็นสำหรับในขั้นนี้คือมันเหมือนกับเราโต๊ที่เรานั่ง ถ้าเป็นโตัวไม้ตัวเหล็กนี่ยก็จะมีวัตถุดิบใช่ไหมเราไปล้มไม้มาจากป่าแล้วมาทําเป็นเก้าอี้กรณีนี้นะ่ะเก้าอี้ไม่ได้อาอาไม้ไม่ได้อาศัยเก้าอี้เป็นวัตถุดิบใช่ไหมแต่เก้าอี้อาศัยไม้เป็นวัตถุดิบเป็นที่ตั้งะ เ, เทียบอย่างนี้เพราะฉะนั้นประสาทตาเนี่ย จะมีหรือไม่มีความเป็นดินน้ำไฟลมเขาก็อยู่เขาได้แล้วมันก็รบก็เตือนแต่ว่าดินน้ำไฟลมใดที่กรรมของบุคคลของสัตว์ใดสัตว์หนึ่งเข้ามาผันแปรดินน้ำไฟลมนั้นก็จะเป็นตาขึ้นมามีคุณสำบัติมีลักษณะสภาพเท่าที่คุณสมบัติของกรรมนั้นจะพึงให้เป็นไปได้ และจะเป็นไปได้อย่างนั้นตามกรรมหูก็เหมือนกันระบบระษาตอื่นก็เหมือนกันแม้แต่กรรมชรูปอย่างอื่นที่เป็นเลือดเป็นสัมภวทาสเหล่านี้เป็นกรรมชรูปทั้งนั้นที่เนื้อเดิมของมันจริงๆเนี่ยมันเป็นดินเพราะฉะนั้นถึงที่สุดแล้วพอคนตายระบบประสาทกรรมชัรูปอื่นเสียหมด อุปาทิยรูปอื่นนะที่เกิดพฤจิกรรมนี่ยหยุดหมดแต่อะไรยังอยู่ครับดินน้ำไฟลมยังอยู่โตพังได้แต่ว่าความเป็นเนื้อไม้ก็ยังคงอยู่และเนื้อไม้ถึงจะผูดได้มันก็ผูแล้วมันก็แปลสภาพเป็นอย่างอื่นนั่นเองก็คื อ, อยังคงความเป็นดินน้ำไฟลมอยู่นั่นเองเพราะนั้นระหว่างอุปาทิยรูปกับมหาพุทธรูปเนี่ย มหาพูทธลูบเป็นเหตุให้เกิดอุปาทัยรูปเป็นเหตุอาศัยของอปาทัยรูปเท่านั้นแต่อุปาทัยรูปไม่ได้เป็นเหตุที่อาศัยแก่มหาพูทธรูบแต่มหาพุทธรูปกลับมหาพุทธรูบนั้นต่างฝ่ายต่างเป็นที่อาศัยกันการนี้มาดูข้อ <c oughs> หกหะทยลูบในปฏิสนธิขนาด เป็นสหาชาติแก่ปฏิสนธิกิจไม่เป็นในประวัติการอ่าตรงนี้ก็เป็นข้อพิเศษมาว่ารูปที่ปฏิสนธิเข้าไปตั้งอาศัยเรียกว่าหาทยาวัหาทยรูปปฏิสนธิเข้าไปอาศัยในตอนปฏิสนธิเนี่ยครับหาทยรูปเป็นสหาชาต แก่ปฏิสนธิคือเกิดพร้อมกันเป็นไปใจัยโดยการเกิดพร้อมกันแต่หลังจากเกิดแล้วไม่พร้อมกันเอาตรงนี้อาจจะลึกนิดนึงแต่ก็ต้องผมจะอธิบายเป็นแบบอ่าในขั้นที่ควรฟังและพอเข้าใจได้นะเพราะว่าไอตอนปฏิสนธิเนี่ยปฏิสนธิอย่างลงปุ๊บรูกเกิดปักเรียกว่ามันเกิดเป็นปัจจัยพร้อมกันพร้อมกันเดี๋ยวนั้นแต่หลังจากเกิดแล้ว หาทยาหาทยาลูมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นอีกหลายขณะทีนี้พอมาถึงไอ้หลังเกิดแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ระยะหน้าสิวหน้ากวานถ้าระยะหน้าสิวหน้ากวานเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยบางทีก็จาเป็นต้องไปเด็ดผักไอ้ที่มันยังไม่แก่พอที่จะอาศัยกินมาได้ใช่มเพตอนนั้นเราไม่มีอะไรจะกิน ปลูขึ้นมาเพรมันแตกตบมาขึ้นมาใบาก็เล็มกินไปเลยที่พูดนี่ยประสบการณ์จริงนะเนี่ยผมผมเอาไอ้ไอ้พวกผักชีอะไรเนี่ยบางทีแล้วมาจิ้มจิมบางทีก็เราทําอะไรต้องการอไอ้สิ่งปรุงแต่งอย่างงี้นะไอ้พวกผักอะไรมันถูกโลกแล้วก็ไอ้พวกใบชะพลูเนี่ยพอ ม, มันแตกขึ้นมาสองใบเราก็เด็ด เด็ดเอามามาบริโภคซึ่งความจริงยังมันยังไม่ควรเด็ดใช่ไหมแต่ว่ามันอยู่ในภาวะจําเป็นเนี่ยอะไรลอยมาก็ต้องโจกสวยไปก่อนและบ้านยังปลูกยังไม่ทันเสร็จมันไม่จะไปรู้จะไปนอนที่ไห น, นก็ต้องอาศัยนอนไปก่อนเอาไอ้นู่นไอ้นี่มาการนอนไปเท่าที่ได้เพราะฉะนั้นระยะเกิดครั้งแรกเนี่ยมันเป็นระยะหน้าติวน่ากวานวุ่เรื่อว่าต่อ เขาเรียกนาเตียวนกควานนีเรียวต่อมันจําเป็นต้องอาศัยนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าไอ้ทายรูปและอัตภาพเนี่ยเกิดขึ้นมารอได้ที่พอได้ที่ได้ระยะแล้วปฏิสนธิจึงไม่อย่างลงมันมันยังงั้นไม่ได้เพราะว่าอัตภาพกับปฏิสนธิต้องสัมพันธ์กันทีนี้ไอ้ครั้งแรกเนี่ยมันอ่อนทั้งคู่จิตมันก็อ่อน แล้วก็ลูกก็ยังอ่อนอยู่แต่มันยังเป็นต้องอาศัยกันอย่างนั้นแต่พอหลังจากเกิดจเจริญเติบโตขึ้นมาโดยลําดับแล้วเนี่ยมันเป็นระยะเติบกล้าของอัตภาพจิตเนี่ยมันก็จะเลือกอาศัยเลือกใช้สอยไอ้เลือกนี่มันเป็นไปอัตโนมัตินะฮะเป็นไปโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติเหมือนกับอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะเลือกเพราะมันเป็นไปโดยธรรมชาติ สัตว์เสิดอะไรก็แล้วกันเี่อออทำไมมันถึงไม่กินนี่อะไรเออมันต้องเลือกไปตามธรรมชาติเขียนว่าสมมติว่าเราเลี้ยงพึ่งดอกไม้เต็มใช่เราเอาน้ำตาลไหมให้มันกินมาเอานะมันกินไหมมันไม่กินหรอกมันกินดอกไม้ถามมาใครสอนเราก็ไม่รู้เราก็เป็นธรรมชาติมันอย่างนั้นไอจิตวิญญาณมันก็ไม่ต้องไปบอกมันหรอกมันรู้ ตพนะนั้นพอถึงระยะเจอกล้าเนี่ย <c oughs> มันมีหาตยะวัตถุรูปเนี่ยเริ่มมีจำนวนมากขึ้นแล้วก็เริ่มอยู่เต็มอายุมากขึ้นเอาเป็นว่าอย่างนี้แม้ถึงจะพูดง่ายแล้วก็ยังยากสำหรับบางคนอยู่ไอหาตยะวัตถุรูปมันมีอายุสิบเจขณะจิตนะทีเจ็ดตอนหนึ่ง คือประสาทระบบประสาทเราในทางธรรมะเกิดเกิดขึ้นมาแล้วจะอยู่ได้เท่ากับจิตติดเจ็ดขณะหนึ่งต่อสิบเจ็ดพราะฉะนั้นเมื่อหนึ่งต่อสิบเจ็ดนี่แปลว่าจิตหนึ่งขณะเนี่ยมันจะไปเที่ยวอยู่อาศัยขณะรูปที่มีอายุยืนเท่าเกินกว่ามันตั้งสิบเจ็ดเนี่ยหรือสิบหกตั้งสิบวงเท่าเนี่ยนะคิดเป็นเท่าเนี่ย ที่บ่งเป็นเดเท่าเนี่ยเรียกเปเจ็ดเท่าใช่มหนึ่งตเจ็ดโอ้มันเคลียกว่าบ้านอายุยืนกว่าคนใช่ไหมเพราะนั้น โดยธรรมชาติเนี่ยมันก็จะมากระโจมอาศัยได้เฉพาะในช่วงกลางอายุของเรือนของมันนะคู่หาอาศัยขึ้นมาคืออัตยะวัตถุตรงนี้นะที่เขาเรียกว่ามันทายุกก ะ, ะาศาสตที่พูดในงงไปงั้นมันทายุกะคือวัยกลางของอายุรูปอันนี้ถือเป็ น, เ ป, นเป็นหลัก ท, ทั่วไปของเรื่องอื่นด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเบื้องต้นเนี่ยเราถ้าเราจําเป็นต้องใช้ต้องเสพก็เป็นมันเหตุผลทางความจําเป็นใช่ไหมเพราะมันยังไม่พร้อมไอเบื้องปลายมันก็ แก่ชราสุดโทมแล้วแต่ช่วงตรงกลางในเป็นช่วงที่ดีที่สุดมะม่วงออกยังไม่สุกก็ยังไม่ดีที่สุดอ่าในผู้ทึง ม, มัม่วงกินสุกพอมันเกิดใกล้เน่าก็ไม่ดีต้องอยู่ตรงช่วงพอดีพอดีเอาความว่าพอดีพอดีนะอธิบายได้เยอะเลยอะ่ะมันจะมีจุดพอดีพอดีนั้นชีวิตของเราช่วงที่แข็งแรงก็คือช่วงมัธยมวัยในเป็นช่วงแข็งแรงแล้วก็ ถ้าพูดถึงในจุดเข้มข้นของกรรมชาวนะกรรมอย่างชาวนะเจ็ขนาดเนี่ยชาวนะขนาดแรกก็ไม่ดีที่สุดไม่ดีนะคณะคณะหลังสุดก็ไม่ดีแต่ช่วงตรงกลางเนี่ยเป็นช่วงดีถึงให้ผลเหนียวแน่นเนี่ยเป็นอัปปาราปริยะเวทนียกรรมได้ถ้าอาธิบายเป็นแบบการรับรู้อารมณ์ในวิถีจิตเนี่ยถ้าคนผ่านวิถีจิตมาแล้วไม่ผ่านก็ฟังอย่างนี้ พอเข้าใจได้เหมือนกันไอ้วิธีจิตเองก็มีอยู่สามช่วงการรับรู้อารมณ์ช่วงแรกก็เรียกว่าเป็นช่วงตั้งตัวช่วงขึ้นนะแล้วก็อีกช่วงคือช่วงถึงจุดและอีกช่วงคือช่วงลงเต็มที่คือช่วงชาวนะพอมาถึงช่วงตาทานลำน้ำแล้วช่วงเริ่มปล่อยแล้วปล่อยอารมณ์เข้าสู่ความหลับช่วงก่อนถึงชวนะก็เป็นช่วงกําลังทําความเข้าใจในอารมณ์ตีความในอารมณ์ตามสภาพของวิธีจิต ว่ามันคืออะไรเป็นลำดับลำดับมาแล้วพอถึงเจวนาไปถึงจุดจุดบนกลางสะพานแล้วจานี้ก็เทียบให้ฟังเพราะฉะนั้นจิตที่อาศัยหัตถยาวรูวัตถุรูปในตอนปฏิสนธินี่เรียกว่าเกิดพร้อมกันเป็นสาชาติแต่ว่าหลังจากเกิดแล้วจิตจะเลือกอาศัยรูปที่เกิดมาก่อน ตัวเองและการลังและตั้งอยู่มาถึงระยะที่พอเหมาะพอดีแก่การบริโภคของตัวมันก็จะเลือกใช่เหมือนกับเราเองเนี่ยเราปลูกบ้านหลังเนี่ย ถ้าเราเป็นของบ้านเองถามว่าถ้ามันมีหลายห้องเนี่ยเราจะเลือกห้องที่เหมาะที่สุดใช่ไหมเลือกห้องที่เหมาะที่สุดถ้าเป็นที่หลายๆแปลงเราก็จะเลือกแปลงที่เหมาะที่สุดนี้ก็มาพูดถึงปัจจัยอีกปัจจัยโอ้นี่พูดมาตั้งนานได้ปัจจัยเดียวมันซ้อนอยู่ตั้ง6ข้อนะที่ว่าพูดสั้นๆแล้วนะเนี่ยปัจจัยที่เจีชื่อว่าอัญญมัญญปัจจัยนี่ก็ต้องแก้ไขเพิ่มเติมกันนะะ อัญญะมัญญะนะหมอมา้าอัญญะมัญญะนะแปลว่าอิงอาศัยมีสภาพเหมือนขากากะเยียคือโต๊ะสามขารู้จักกาการะยีนะครับบางท่านถ้าเป็นคนรุ่นอย่างผมผมนี่มันก็รู้จักแล้วผมรู้จักเพรมันไม่จักอย่างหนังสือกากะเยียแต่คนรุ่นเก่าเนื้อจากกากะเยีคือคือนบางคนไม่เคยดีลยกากระยีไหนมีใครรู้จักกากระยีไปเห็นกากะเยียฮะกากระยียฮะเยียรอยรัก ไม่ใช่ไม่ใช่ภาษาจีนหภาษาไทยกากาะีีะะผมไปได้เห็นของสมเด็จพระราดวันหกกากระยีกันแต่ได้ยินชื่อมาก่อนจากที่อื mm ่น hmm. เป็นที่เป็นโต๊ะสาขาพูดง่ายโต๊ะสาขาใช้ไว้สําหรับรองทําอะไรแต่อะเรียกกากระเยียดทีนี้เอาออกสักขามอยู่ไม่ได้เอ๊ะทาไมคนอยู่ได้เหรคนมีสองขามาอยู่ได้แต่ถามอะไรก็ไม่รู้อ่าลักษณะของการหนุนกันเป็นแบบสารอย่างเรียกว่าอัญญะมัญยะเอาออกเสียอันหนึ่งอีกอันหนึ่งอยู่ไม่ได้อันนี้มันเป็นระบบถ้าพูดเรืว่าอธิบายกันเป็นแนวคิดในทางสังคมในทางอะไรต่ออะไรเนี่ยนะ ก็อธิบายออกมาจากนี้อันญ่ามัญ่าปัจจัยกันซึ่งจะทำให้เรานั้นมีความรับผิดชอบสังคมซึ่งโลกเดี๋ยวนี้เข้าใจตรงนี้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นจะเป็นป่าของประเทศไหนอีกประเทศอยู่คนละมุมโลกเลยนะต่างเวลากันทั้ ง, งกลางวันเป็นกลางคืนเนี่ยเขาก็ต้องดูแลเอาใจใส่เพราะมันกระทบถึงกันหมดเราตายไปอีกสัก ห้า้อยปีกลับมาใหม่อาจจะมีการรักษาโลกดวงอื่นนะดาวหางจะมาชนโลกอื่น จ, จะต้องมีการตั้งสถานีป้องกันเงี้ยเดี๋ยวก็เทือนมาถึงเราซึ่งที่จริงเนี่ยมันสัมพันธ์มันกระทบกรเทือนกันซึ่งไอ้ตรงนี้นะว่าถ้าเป็นอย่างวิสัยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ต้องท่านเก่งเราก็ต้องยอมรับนักเสือว่ามองกระแสความสัมพันธ์ ที่สําคัญก็คือว่าไอ้กระแสของความอุดหนุนอย่างในลักษณะขาวกับดําที่หาประโยชน์ได้เป็นประโยชน์ได้เนี่ยท่านมองทะลุไม่ว่าจะเป็นคนหรือไม่ว่าจะเป็นอารมณ์อิทธาลมอนิฐาลมในโลกเนี่ยน่าสนใจมากเหลือเกินผมยังมีความหวังตั้งใจว่าเรื่องอิทฐาลมอนิฐาลมในโลกสิ่งดีสิ่งไม่ดีคนดีคนไม่ดีดวงดีดวงไม่ดีเนี่ย มันเป็นของดีที่บุคคลหาประโยชน์จากสิ่งนี้ได้แล้วคนจะดีได้ร้อยสองอย่างนี้เป็นหลักที่ประเสริฐมากเลยในพระพุทธศาสนานี้ที่คนทำกรรมฐานก็เอาดีจากสองอย่างนี้น ะ, ะทีนี้โดยเนื้อหาของปัจจัยนี้ก็ปรากฏว่าไม่มีอะไรใหม่ไปจากสหาชาตปัจจัย เพียงแต่จุดเน้นต่างกันว่าสหาชาติาสหาชาติปัจจัยเนี่ยเน้นในแง่ความเกิดพร้อมในอาการนั้นในส่วนนั้นเพราว่าศาสนาเนี่ย อ, อโดยเฉพาะในทางพระพิธรรมพยายามจะพูดในอำนาจที่มันเป็นเอกเทศที่บางทีมันคล้ายกันมันเกี่ยวกันอยู่นั่นแหละแต่ทเจนล้วมันคนละส่วนคนละพลังกันนะไม่เหมือนกันหรอก คนละชนิดกันทั้งที่มันใกล้เคียงกันเกิดอาศัยเกิดเกี่ยวข้องกันก็ตามอย่างความเกิดพร้อมกันอันหนึ่งแล้วก็พลังในแง่ของความอิงอาศัยกันก็อย่างอันหนึ่งสหาชาติปัจจัยที่เป็นส่วนของความเป็นอัญญาปัจญญญญป จ, จัยคือข้อหนึ่งข้อสองและข้อสาม ที่มีคาว่าแก่กันและกันแก่กันและกันนะครับถ้าเป็นภาษาบาลีในฉบับบาลีที่เราใช้มาก่อนเนี่ยก็จะมีคาว่าอัญญะมันยังอัญญมันยังถ้าไม่มีคาว่าอัญญะมันยังก็แปลว่าไม่ได้เป็นอัญญามันยะปัจจกันคือถ้าเตรียพร้อมเนี่ยให้โอกาสว่าไม่เกี่ยวข้องกันก็ได้ไม่เป็นเหตุเป็นผลก็ได้ในบางครั้ง ยกตัวอย่างเช่นว่าจิตที่สั่งให้วาจาพูดออกมาบางครั้งไม่ได้สั่งให้พูดก็ได้ถ้าสั่งให้พูดก็เป็นสั่งจากตาปัจจัยแต่ว่าจิตที่สั่งให้ปากพูดเนี่ยปากเป็นอัญญาัญญาปัจจัยแก่จิตัหมไม่นี่ท่านถือว่าไม่นะ่ะเพราไม่มีปากจิตก็มีได้ ถ้าพูดให้มันเป็นแกมตลกหน่อยก็ว่า ข, ขนาดถอนฟันเมียงด่าเลยด่าด้ปากไน่ไ้นก็เขียนดา่าทำท่าดา่าใช่ไขนาดไอ้รถมันก็ปีกกระจกรถเขาเขาปีกกระจกเนี่ยนะมันด่าไม่ได้ยุตสาทำท่ า, ทาชี้นิ้วโป้งชีนนิ้วชีวช้แห ล, ลมนินแบบแบบพยายามไม่หัที่อยู่ในอีกรถหนึ่ง แปลความได้อำดา่านะยอดจริงๆถ้าเป็นเราก็สนุกไปเท่านั้นจจะไปเจอคนองนี้นะทีนี้เราก็ไม่รู้สิด้วยว่าเ อ, อจะให้พรมันด้วยภาษาแบบนั้นว่างไง น, นะ <c oughs> ก็เลยไม่ต้องอธิบายนะอันนี้มันญ์ปัจจัยนี่กระทุนแรงไปปัจจัยแล้วนะมาถึงอีกปัจจัยหนึ่งคือนิสยะ ปัดใหญ่นิสยานั้นแปลว่าอาศัยซึ่งหมายถึงที่อาศัย น, น, นิสิษเนี่ยจะคู่กับคว่านิสิต ท, ที่เรามาใช้ในภาษาทางวงการระดับบุดโมศึกษานิสิตแปลว่าผู้อาศัยนิสัยแปลว่าที่อาศัย้วเวลาอาจารย์เวลาบวชพระเนี่ยก็จะมีการให้นิสัย อันนี้สายคือที่อาศัยแต่ที่อาศัยเนี่ยคนก็เป็นที่อาศัยเดี๋ยวจะมีปัจจัยหนึ่งจะพูดถึงนะแล้วก็ปัจจัยสี่ก็เป็นที่อาศัยเนี่ยเป็นเรื่องของกายภาพภางนอกแต่ในทางสภาวะธรรมเนี่ยสภาวะธรรมคือนามรูปแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นก็มีที่อาศัยเป็นที่อาศัย เพนั้นนิสยาป จ, จัยยึงปแปล ว, ว่าปัจจัยคือความเป็นที่อาศัยความเป็นที่อาศัยนั่นแหละเป็นปัจจัยทำที่มีความเป็นที่อาศัยเป็นปัจจัย อ, อตีนี้ในทางเนื้อหารายละเอียดที่มีทั้งหมดสิบเอ็ดข้อปรากฏว่าข้อหนึ่งถึงข้อห้าขนะ้อหนึ่งตรงกับห้านะตรงกับสหาชาปะปัจจัย ย้อนกลับไปดูสาจาตาปัจจัยนะนั่นแหละเรียกว่าเป็นสหาหชาตาด้วยเรียกว่าเป็นที่อาศัยก็ด้วยคืออาศัยด้วยเกิดพร้อมด้วยนั่นแหละอาการตัวอย่างกันหลักข้อหกข้อเจ็ดข้อแปดข้อเก้าและข้อสิบแล้วก็เลยไปถึงข้อสิบเอ็ดอีก เลยง่ายเลยทีนี้ทําไมถึงว่าง่ายเพราะว่าพระคู่เมียผ้าตลาดว่าคูหาสยยงคูหาสยียงคือจิตจิตนั้น ท, ทูรังคำังเอกาจลังอาศรีลังแล้วก็คูหาสยียงเราคงเคยได้ยินเอกาจลังรับอารมณ์ได้ครั้งละอารมณ์เป็นต้นแล้วก็ทูรังคำังรับอารมณ์ได้ไกลด้วย ต้องไปเกิดได้ไกลโดยอาสลีลังไม่มีรูปร่างและคูหาสยางมีถ้าเป็นที่อาศัยนี่เป็นบัวอันเปรียบเทียบว่าจิตเหมือนกับเสือสางตัวหนึ่งเสือมีถ้าจิตก็มีถ้าเป็นที่อาศัยและถ้าของจิตนี่นก็โดยรู้คืออัตภาพนี้โดยแยกประเภ ท, ทจิตก็ทางตาทางหูแยกไปแตจิตอะไร ก็ปรากฏที่นั้นนั่นแหละคืออาศัยที่นั้นเป็นที่รู้อารมณ์เป็นที่ตั้งก็มีภาษาตาภาษาหูภาษาจมูกภาษาลิ้นภาษากายซึ่งก็คือการปรากฏเป็นวัฏวัที่นั้นภาษาริบูเปรียบเทียบไว้ในประสมเหมือนกับบุคคลเอาไม้ตีกันที่ใดเสียงก็ปรากฏที่นั้นเสียงไม่ได้รออยู่แล้วที่นั่นแล้วก็เสียงก็ไม่ได้ติดมากับไม้สองอันที่มากระทบกัน ชันใดแค่นี้ท่า น, นกาลังจะพูดถึงความเป็นลักษณะสุญญาตาสุญญาตาคือว่างจากความมีอย่างมั่นคงนะมีอย่างเป็นแกนตามฐานละแล้วก็แัดงถึงความที่มันเป็นแต่สภาพที่เกิดขึ้นเพราะการประชุมกันขึ้นของเหตุปัจจัยคนปฏิบัติธรรมเห็นอย่างทราบซึ่งในรสชาตอธิบายตรงนี้เลยว่า ทุกชีวิตเรามันแวบแวบตรงนั้นมันแวบแวบจริงๆอยู่อย่างแวบแวบอยู่อย่างไม่น่าไว้วางใจแค่เราไม่เห็นมันก็เลยไว้วางใจก็เลยรู้สึกเออมันดูมั่นคงนะจริงๆแล้วมันแวบแวบแวบตามกระแสเหตุปัจจัยไอ้แวบเก่าแวบเก่าก็ดับไปแล้วเมื่อพอมันเห็นไปแวบแวบเนี่ยมันถึงเขาเรียกว่า มีความรู้อย่างอามองกระแสยืดอดีที่อนาคตได้อย่างยาวไกลแต่ความถือสามันไม่มีนะเพราะมันเห็นว่า เ, าเขาด่าดับไปแล้วอะไรเงี้ยนะทั้งดีทั้งไม่ดีไม่ถือสามันจะเป็นไปเองเลยครับเห็นแวบๆเนี่ยเป็นไปเองเลยว่าความไม่ถือสาความไม่ยึดติดในอะไรอะไร เนี่ยในโลกนะี่บอกว่าอทำทั้งหลายไม่ควรยึดติดหรืออะไรอะไรในโลกนี้ไม่ควรยึดถือเพราะเหตุผลอันนี้แต่ถ้าเมื่อใดเราไม่เห็นเรามีความรู้มันเป็นพืชต้องมีการรับผิดชอบต้องมีการแก้แค้นแม้แต่เป่าบุญญินยังยอมรับความเชื่อถืออันนี้นะยังนับถื อ, อยังลดจอนผ่นโทษถ้าสารไปก็เสร็จเลย แก้แค้นแต่สารไม่ฟังถ้าสารใครฟงฝั่งคือเพราะไอ้ข้อก่าแก้แค้นเนี่ยมันเนื่องด้วยความกระตันอยู่ใช่ไหมก็เป็นความกระตันตของเราเนี่ยเราอยู่บนพื้นฐานทาศาสนาความกระตันอยู่นั้นดีแต่ว่าการทำสนองต่อความกระตันดูด้วยความไม่ดีนั้นไม่ดีถ้าสมมติว่าเราฆ่าแก้แค้นแทนใครแล้วก็ พ่อแม่เราอนุโมทนาอยู่ยงเกื้อเกื้อมลราคอยอนุโมทนาตัวข้าแต่ลูกลูกกาแล้วเหลือสาทุกไปสวรรค์ไหมพ่อแม่ไม่ไปหรอกกลายเป็นบาปทําให้ตกต่ําอ่าอันนี้เรียกว่านิสยะแต่เพราะเหตุว่าประสาทโดยทั่วไปเนี่ยจะเกิดก่อนเกิดก่อนจิต ผมหมายถึงจิตเป็นขณะขณะเนี่ยนะเกิดก่อนจิตเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าวัฏุปุเรชาตอาผมยกตัวอย่างว่าตาเราเห็นรูปในขณะนี้จากสุวิญญาณเห็นรูปด้วยขณะเดียวนะด้วยจิตขณะเดียวแต่ว่าประสาตตาเนี่ยที่จากสุวิญญาณไปอาศัยตั้งอยู่เพื่อการเห็นรูปมันเกิดขึ้นมาก่อนแล้ว เพราะว่าไอ้ไอ้จักรสู่วิญญาณเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเป็นขากล่าวเพราะวิญญาณแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมาเกิดลุมกันีเดียวไม่ได้ใช่ไหมแต่รูปเนี่ยมันเกิดลุมีเดียวกันได้เช่นประสาทกายกับประสาทตาเนี่ยมันต้องผัดกันไหมว่าเอาประสาทตาเกิดมีก่อนประสาทใจไอ้ประสาทกายที่การซะก่อนเพราะประสาทตากําลังปรากฏหรือว่าประสาทตาก็ดีอยู่เกิดอยู่ด้วยได้ ประสาทหูก็ปรากฏเกิดอยู่ด้วยได้ในเวลาเดียวกันไม่ต้องผลัดกันเกิดใช่ไหมเหมือนนวายวะเราเนี่ยแขนซ้ายแขนขวาไม่ต้องผลัดกันเกิดไม่ต้องผลัดกันมีอ่ะจะต้องมีอยู่ยืนอยู่ตลอดเวลาแต่จิตเนี่ยเนื่องจากมันเกิดทีละขณะดใช่ไหมเกิดในสภาพใดก็ได้ในสภาพเดียวกล่าวเดียวกลางเดียวเรีย ก, กว่าเป็นหนึ่งขณะทีนี้สมมุติประสาตามันมีหลายกระหลับ เกิดขึ้นทับซ้อนกันเยอะในเวลาเดียวเนี่ยนะแม้ว่าเรากำลังหลับตาอยู่ก็ตามตอนนั้นจากสุกวิญญาณไม่เกิดแต่ประสาทตาก็เกิดทับซ้อนกันอยู่เยอะทีนี้พอจากครูประสาทเกิดปุ๊บเนี่ยมันก็กระโจมอาศัยโดยธรรมดาความสอดคล้องของธรรมชาติเองอาศัยเกิดตรงจุด ที่สมบูรณ์ดีที่สุดแข็งแรงนี่คือส่วนกลางของอายุของประสาทตาไม่ใช่ไอ้ส่วนตอนเกิดก็ถ้ า, ถามันกึกกลับสับซอนความริงจจขีดเขียนเนี่ยเดี๋ยวเาจะไปกันใหญ่โตต้องใช้เวลาเยอะด้วยนะนี่ขอให้ฟังเป็นฉากแรกให้นึก ง, ง่า ย, ายว่าประสาทตาจะอาศัยเป็นที่อาศัยแก่จากรืิญานได้ในช่วงอายุตรงกลางเพราะมันอยู่ในฐานะเลือกได้แล้ว เราจะพักกันสักสิบห้านาทียี่สิบนาทีนะฮะแล้วจะเข้ามาต่อด้วยปัจจัยสำคัญอันหนึ่งครับคืออุปนิรยะปัจจัยนะก็เชิญทานอาหารว่างกันละก่อน